หลับตาหลับตาหลับตาที่คุยเนี่ยให้ผ่อนคลายนะอารมณ์ที่มันอึดอัดลังเลใจไม่สบายใจก็ได้หัวเราะนะได้คลายออกมาพอเราหลับตาแล้วเนี่ยอันดับแรกเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆให้เต็มท้องแล้วค่อยๆคลายออกให้ท้องเนี่ยมันแห้งลงเลยลูกอ่า นะสักสามหนไม่ใช่สูดแรงๆจนงายท้องายใต้ไม่ใช่นะค่อยๆมีอยู่คนหนึ่งให้ดึงลมหายใจลึกๆแรงๆช็อกต้องไปโรงพยาบาลไม่อยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นอีกน ะ, ะครายพอคลายเสร็จแล้วก็ยิ้มเลยเราก็นั่งยิ้มให้กับตัวเองนะยิ้มเนี่ยมันเป็นการขับสภาวะจิต ที่มันกําลังหยาบอยู่ที่เราเนี่ยตั้งแต่เช้ามาอาจจะไม่พึงพอใจปรารถนาใจทำให้จิตใจเราเนี่ยแข็งกระด้างความคิดไม่มีความคิดที่ดีอย่างที่หลวงพ่อพูดในขณะนี้ถ้าหลวงพ่ออารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะพูดกับเราดีๆอย่างนี้ได้อย่างไรและทำไมไม่ฟังเสียงของหลวงพ่อ ในขณะสอนสมาธิเนี่ยหลวงพ่อจะมีเสียงระเยือกเย็นสม่ำเสมอของเสียงไม่มีเสียงเล็กเสียงใหญ่จะสบายเพราะว่าเป็นอารมณ์นณะเป็นอารมณ์ที่สม่ำเสมอเราก็เช่นเดียวกันเมื่อ ย, ยิ้มแล้วมองเห็นใจตัวเองนะเราฝึกกสินไปด้วยเราฝึกปงอสุภะไปด้วย เราเนี่ยอยากให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นใจเราแต่เราเนี่ยไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยคนอื่นมันเป็นคนอื่นเนี่ยจะมารู้ใจเราได้ยังไงมันจะมาเข้าใจเห็นใจเราได้ยังไงนอกแต่ตัวเราพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอัตนาโถหิตายะตนเนี่ยนนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอเรามีตัวมีตนแล้วยังไม่เห็น หัวใจก็คือจิตของเราเนี่ยเราจะไปฝึกสมาธิไปทำไมจิตต่ำเขาเรียกว่าจิตตกที่หมอดูเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยตกต่ำมากเลยจิตมันก็คิดแต่เรื่องอบายภูมิเป็นภูมิของเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่หลุดจากเป็นคนแล้วในขณะที่เรากลายเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อด้วย มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่สภาพจิตของคนเรานั้นเนี่ยถ้าตกอยู่ในอบายภูมิเนี่ยเวลายิ้มมันก็ยิ้มไม่เต็มอิ่มยิ้มด้วยความมีเรศในบางคนถึงกับบ่งหลุดออกมาว่าแต่แกงยิ้มให้มันไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วกูเกียรติมันยิ่งกว่าขี้อีกเห็นไหมที่เขาเคยพูดกันแต่ในขณะนี้เล่นเรายิ้มให้กับตัวเอง มองใจตัวเองเนี่ยให้ใสเหมือนดั่งดวงจันทร์ก็ได้ไม่ต้องเอาถึงแก้วหรอกนะพอเห็นใจเนี่ยเราใสาเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยสาว่างแล้วเราก็บอกโอ้หนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอยิ้มก้าไว้ที่นี่ไม่วุ่นวา ย, นนนวา ย, นยห น, น, ยนอโกดเราก็ไม่ยึดติด รักเราก็ไม่ยึดติดยินดีเราก็ไม่ยินดีอุบากเคอุบาอุบาอุบเบกขาวางเฉยวางไวก้กลางใจแล้วก็ยิ้มเข้าไวหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเมื่อลมหายใจเราเนี่ยหายใจลึกๆที่เราหายใจทิ้งไปเมื่อกี้นี่ยมันขับจาก ลมที่อยู่ในท้องเราเนี่ยคนที่ทำสมาธิเนี่ยไม่ได้คลายลมออกเนี่ยในขณะที่จิตละเอียดขึ้นจิตละเอียดขึ้นระบบการหายใจของเราเนี่ยมันผิดปกติในขณะที่เราหายใจโดยที่ไม่มีสติก็คือเราใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละบางทีเราก็ตกใจใจก็เต้นไวบางทีเราพูด การหายใจของลมเราเนี่ยก็หยุดไปเห็นหั้มหลวงพ่อละเอียดไหมในขณะที่เราเดินไปเดินมาทํโน่นทำนี่เนี่ยระบบการหายใจของเราเนี่ยก็ผิดปกติแสดงว่าเราเนี่ยไม่มีสติไม่ได้ยึดถึงสติคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ฝึกมาแต่ในขณะนี้เนี่ยท่านทั้งหลาย ได้กำลังฝึกสติของตัวเองค่อยๆหายใจเข้าออกตามสภาวะของเราแล้วก็ยิ้มเขวะเมื่อจิตใจอ่อนโยนเข้าไปแล้วเนี่ยลมหายใจที่ปาดจากความคิดความฟุ้งซ่านใดๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกหนักตัวสบายหนักไปที่ขาเพราะว่า เราเหมือนทำนั่งแล้วหน้ามันงุ้มลงแสดงว่าจิตกับกายเนี่ยกำลังแบ่งแยกกันโดยสิ้นเชิงบางคนนั่งพอจิตไม่เคยสงบพอเริ่มจิตสงบหน่อยก็สับประงโงคเหมือนเราตกจากที่สูงนั่นเองแสดงว่าสติเรานั้นยังฝึกน้อยอยู่ แต่ในขณะ น, นี้ทุกคนเนี่ยหน้าใสขาวบางคนก็หน้าแดงแป๊ดเลยเลือดลมเนี่ยมันฉีดตามปกติเพราะเราไม่เคยมีเป็นมนุษย์สมบัติวันหนึ่งเราเป็นเป็ดเช้าขึ้นมาก็กัดกินน้นสูบฉีดกินนี่กินเลือดกินเนื้อกินสัตว์ต่างๆตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ว่ายักษ์หรือมารตั้งแต่เช้าเนี่ย เมื่อทานเข้าไปแล้วอารมณ์ดีหรือไม่อมดีถูกปากหรือถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกแปรปวนอยู่ตลอดเวลาขนาดทำบุญตักบาตรแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์แล้วเนี่ยบางคนยังมีความคิดคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงงานการที่ตัวเองกาลังรับผิดชอบอยู่ ท่านทั้งหลายโปรดปล่อยวางวางออกจากที่ใจอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงในโรคนี้เรายึดอะไรไม่ได้เลยความสุขก็ยึดไม่ได้อะไรคือความสุขที่แท้จริงลองถามใจตัวเองใช่ว่าเราพบกับความสุขบ้างหรือเปล่าเราได้พบ จิตที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ของเราบ้างหรือเปล่าเราได้พบสิ่งที่เราปรารถนารู้สึกแค่ดีใจความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือความว่างเปล่าความไม่ฟุ้งซ่านในใจความไม่ลังเลใจมีสติเป็นมนุษย์สมบัติรู้จักความผิดถูกชั่วดียิ้มเขา้าไว้เมื่อยิ้มแล้วเห็นใจสว่างเข้าไปแล้วก็ ค่อยๆมองเห็นหน้าตัวเองเข้าไปในใจนึกถึงหน้าตัวเองบางคนเนี่ยถ้าําไม่จำหน้าตัวเองไม่ได้และจะไปฝึกสมาธินะหน้าตัวเองยังนึกไม่ได้ยังต้องไปอาศัยกระจกมาส่งแล้วเราเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือสัตว์กันแน่น้าติดอยู่กับตัวเราเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยมึงยังนึกหน้าไม่ออก ยังมองไม่เห็นใจตัวเองเนี่ยคนที่ไม่เคยมองใจตัวเองไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเนี่ยจะรู้สึกเป็นคนที่ขี้อายไม่ยอมรับความจริงจะมีทิฏฐิมานะถือตนถือตัวมากที่สุดคนที่ไม่เคยเห็นหน้าตัวเอง เพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็ติดตามไปด้วยกิเลสด้วยอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นแต่งตัวสวยกว่าหล่อกว่าก็อิจฉาเพราะคนไม่เคยเห็นหน้าตัวเองคือคนไม่มั่นใจตัวเองคนแบบนี้ก็เกิดความโลภ ค, ความหลงตามมาติดๆแล้วในขณะที่ฝึกสมาธิเนี่ยคนที่มีจิตที่ไม่มีตัวมีตนไม่มีสติไม่ฝึกไม่รู้มาก่อนเนี่ยพอนั่งปุ๊บก็จะจินตนาการ นึกว่าเห็นแสงเห็นสีแต่ไม่เห็นตัวเองเป็นการฝึกที่ผิดอย่างมหันมากเป็นการที่เดินทางที่เสียเวลาอย่างแท้จริงตอนนี้เราเห็นใจตัวเองเห็นหน้าตัวเองเราก็เห็นตัวเองนั่งสมาธิในท่าที่เรานั่งอยู่ยิ้มเขาวะค่อยๆนึกเอาอย่าไปเร่งรีบ อย่าไปเร่งร้อนอย่าไปข่มบังคับใจที่เราเนี่ยให้มันหายใจทั้งนั้นทั้งนี้ให้มันเป็นจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้หายใจให้เป็นปกติใช้สติมองตัวมองตนเห็นตัวเห็นใจเห็นหน้าเมื่อเห็นหน้าแล้วก็เห็นกายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากายวาจาและก็ใจ วาจาก็ฟังหลวงพ่อเราปิดปิยะวาจาคือไม่ต้องพูดฟังเราเสฟทั้งหูเอาเมื่อฟังหลวงพ่อแล้วก็เห็นใจเรียกว่าจิตวาจาใจแล้วก็เห็นกายเมื่อเราเห็นสิ่งสามทางนี้แล้วเราก็พิเจารณาว่าโอ้น oh อ no ความคิดการปรุงแต่งเนี่ยร้วนแต่ เรื่องของไม่เที่ยงแท้การเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของไม่เที่ยงแท้เราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่ารักเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอารมณ์โกรธเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าอยากร่ำอยากรวยอยากมีแก้วแหวนเงินทองปรุงแต่งว่าจะทำยังไงจะคดยังไงจะโกงยังไงเพราะจิตมันเป็นอกุศล มันเป็นซับภายนอกซับภายนอกก็คือเสื้อผ้าอภรรตหมอนมุง้งเสื้อสะอาดอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าซับภายนอกเราเนี่ยมองแต่นอกกายไม่เคยมองในซับภายในของตัวเองเขาเรียกว่าภ า, ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซับพอร์ตน่าจะซัพพอร์ตคนอื่นนะคือให้แต่คนอื่น แล้วก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยดีเป็นผู้ให้นะให้พี่ให้น้องให้คนนั้นคนนี้แต่ในใจลึกๆเนี่ยหวังสิ่งตอบแทนก็ไม่มีเมตตาจิตที่แท้จริงแต่ถ้าเรามองใจซับพอร์ตใจเนี่ยซัพภายในเราเนี่ยถ้าให้ด้วยความเต็มใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ต, ติดใจไม่ติดใจแล้วก็ชื่นใจ แค่สมทางเนี่ยโยมก็ไม่ตกนรกแล้ววจีกรรมตอนนี้เราก็ปิดประตูนรกไปแล้วเราไม่ได้พูดฟังทางหูหูเราเนี่ยเคยแต่ฟังแต่เรื่องเลวร้ายฟังแต่เรื่องที่หลอกลวงฟังแต่เรื่องที่มันฟังแล้วก็ทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านลาคาญใจสิ่งที่แท้จริงจริงๆแล้วก็คือตัวเราเราจะโกรธมันก็โกรธตัวเอง เราจะเสียใจก็ไม่มีใครรู้เราก็เสียใจเก็บกฎเอาไว้ในใจเขาเรียกว่าจิตใต้สานึกเราเนี่ยนึกตรุงแต่งต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปในใจนะมันไม่ได้เข้าไปไหนนะมันฝังเข้าไปในจิตใต้สานึกเราจนเข้าไปหมกมุ่นจนใจของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นมนุษย์สมบัติแล้ว มันเหมือนกับใจเราเนี่ยมันมีแต่เปรตมันมีแต่ไฟนรกก็คือความโรคความโกรธความหลงความโรคโรเนี่ยมันมีแต่ความอยากอยายมินมีความแต่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวทะเยอทะยานอยากแต่ซับภายในเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเราจะทำฉันในให้หลุดพ้นจาก เปรตอสุรกายสัตว์เดลฉานได้เราต้องคลายใจจากความรู้สึกแท้จริงของจิตใต้สำนึกของบรรดา ญ, ญาติโยมที่ในขณะนี้พอจิตเราก็นึกว่างเปล่าวางไว้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเดี๋ยวถอนสมาธิปุ๊บเนี่ยอาการที่โยมกำลังเป็นอยู่เนี่ยจะหายไปหมดรู้สึกเย็นเบาสบายหัวเนี่ยโล่งไปหมด ตาก็รู้สึกอารมณ์ที่เราเคยฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็รู้สึกก็ไม่อยากพูดอยากคุยแต่มันมันสุกใจลึกๆเอาไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูเอาค่อยๆหายใจให้เป็นปกติค่อยๆนะอย่าเพิ่งลืมตาเอาค่อยๆลืมตาถอนสมาธิอย่าติดค้างกับมันลูกแล้วกําหนดไว้ที่ใจไว้แล้วลองมองใจตัวเองว่าเฮ้ยรู้สึกสบายใจ มันรู้สึกเย็นอยู่ที่ใจรู้สึกใจมันเฉยลองนึกถึงความโกรธที่ตอนเนี้เออเองจะโกรธใครได้เนี่ยตอนนี้พระจิตมีสติแล้วอลองนึกถึงความรักสิเจะรักใครก่อนว่าตอนนี้มันเฉยมันเบอร์กมอสแดกไงมันเฉยอุเบกขาศิ้นทางกายวาจาใจก็ถึงพร้อมหมดนะพอตื่นลืมตาขึ้นมาก็ยิ้มรู้สึกสบายใจรู้สึกโล่งไหม โล่งไหมือ่อกี้ทำไมมันคันตาคันตูดร้อนหูร้อนหน้าร้อนตูดล้าคาญร้อ น, อนเหมือนเหงื่อไหลเหมือนแต่ตอนนี้รู้สึกเย็นสบายไหมเย็นสบายรู้สึกลองลองมองไปที่ใจตัวเองว่ารู้สึกเราโล่งใจไหมพอโล่งใจแล้วหัวเราโล่งขึ้นไหมโล่งไหมลูกรู้สึกโล่งสบายเฉย รู้สึกมันไม่เป็นทุกข์เลยรู้สึกใจเราก็ไม่คิดเรื่องต่างๆนานาไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมสติบาลามีเกิดแล้วสติเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้พอได้ฟังหลวงพ่ออ๋อพระพุทธเจ้าความสาเร็จอยู่ที่ใจตอนนี้กี่โมงและสิบ <10. S 1> <10. S 2> โมงยนะี่สิบจิตเป็นกุศลแล้วเราจะได้นำเนินต่อไปนะครับ